ขอความเจริญในธรรมจงมีแต่ท่านผู้ฟังท่ายแต่หลปรปโพธิญาณในวันนี้คงเป็นการตรอบคาถามของนักศึกษาคณะสาธานศึกษาต่อไปเธอถามว่าการถวายผ้าอุทิศกุศลทวนกุศลให้แก่ผู้ตายผู้ตายจะรับหรือไม่และถ้ารับจะรับได้ยังไง คือการจะได้รับหรือไม่ได้รับแต่มันมีองค์ประกอบประหนึ่งเราให้ทานสองเราทิดกุศล ส, ส่งแม้แก่ผู้ตายสามผู้ตายรับทราบและโมธนาส่วนกุศลเหล่า น, นั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็สำเร็จแก่ผู้ตายตามสมควรแก่ฐานะคือมันเกิดเป็นผาาทิพย์ขึ้นแล้วก็ไปคลุมร่างของท่านผู้นัน้นปะตยมาเหตุที่ มีการถวายผ้าเนี่ยเกิดขึ้นในตอนต้ น, ต น, ตนพุทธสมัยนี่แหละพระพุทธเจ้าจะสรุแล้วก็ไม่กี่เดือนนะก็เรียกว่ากประมาณต่กค่าหกเดือนก็เสด็จไปโปรดที่กรุงรัชชครื้พระเจ้าพิมิสารกับบริวารก็ได้บรรลุมรคผลกันเป็นจำนวนมากแสนสองมืนคน แตหนึ่งมืนคนได้ได้บรรลุเป็นพระโสดาบันและหนึ่งหมื่นนั้นก็ได้ถึงใสสนาคมแต่พระเจพิมพิสารนั่นมีพระญาติซึ่งเกิดเป็นเปรตอยู่และรอคอยการอุทิศส่วนกุศลจากพระองค์ท่านวันนั้นก็ไม่ได้รับการอุทิศส่ว น, ก, นกุศลก่อ ตกกลางคืนก็แสดงลักษณะทวงทวงบุญนะฮะทวงส่วนบุญเป็นรูปของเปรตหน้าโลดดูดหูใจอาการอัปลักษณ์โดยประการต่างๆภาพผ่อนก็ไม่มีท่านก็ไปกราบทูลเล่าพระเจ้าฟังพระเจ้ารับสังว่ามันเป็นพวกญาติของพระองค์ในหลายภพชาติที่แล้วมา เขอรอคอยชวนบุญจากพระองค์อยู่เมื่อถวายพระเวรุวันถวายพระตาหารเนี่ยพระเจ้าพิมิสารไมนได้อุทิศส่วนกุศลไปให้เพราะนั่นเปรตเรานั้นก็ทวงพระเจ้าพิมิสารถามตั้งวิธีในการไปบัติพระเจ้าก็นแนะนําให้ถวายทานแก่ประสงค์ ประสมตรงนั้นพระอาหารล้วนนะระอาหารพันรูปดูตรงนั้นทั้งก็ถวายพระตาหารแก่พระอราหันต์แล้วทิดส่วนกุศลไปให้แก่ญาติซึ่งเป็นเปรตอยู่ญาติก็รับแรงโมทนาก็กลายเป็นเทพบระบุเทพธิดาสวยงามต้งกายอัปรักษณต่างๆหายไปหมดก็กลายเป็นเทพบุตรเทพธิดา ก็แสดงตนอนันโมทนาขอบใจแต่ว่าผ้าผ่อนยงยไม่มีนุ่มท่านก็มากราบทูลพระพุทธเจ้าอีกพระเจ้าก็แนะนำให้ถวายผ้าเก็บพระแล้วที่ส่วนก็ส่วนไปให้พระเจ้าพิมิสารก็ปฏิบัติตามว่าถวายผ้าจำนวนหนึ่งนะฮะท่านก็ไม่บอกไว้ว่าถวายกี่ผืนเนาะ อีกี่พื้นก็ไม่ได้แปลกอะไรแล้วอุทิศส่วนกุศลไปให้แก่เปรตเปรรับทราบอนโมธนาก็กลายเป็นคนที่มีร่างกายสวยงามแล้วก็มีเสื้อผ้าเป็นผ้าทิพย์นะฮะมาหุ้มห่อสรีระร่างกายแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์ด้วยกันนี่ก็จากหลักฐานตรงนี้แสดงว่าผ้าทิพย์เนี่ยมันเกิดขึ้นมาด้วยบุญ ด้วยบุญที่อนุโมทนาในการอุทิศส่วนบุญของญาติเพราะมันก็เกิดขึ้นในลักษณะเนี้เป็นผ้าขึ้นมาล อ, อยนะฮะผ้าเป็นผ้าทิพย์ขึ้นมาคลุมร่างกายแล้วก็เกิดความสวยงามข้อต่อไปถามว่า การช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากประสบความเดือดร้อนเปรียบเทียบกับการทำบุญที่วัดโดยการกระทําทั้งสองอย่างนั้นทำด้วยใจที่บริสุทธิ์เท่าๆกันอย่างไหนจะได้อานิสงส์ผลบุญมากกว่ากันเปรียบเทียบอย่างนี้มีปัญหาเพราะว่าในการถวายทานเนี่ยมันมีองค์ประกอบหลักอยู่คือหนึ่งผู้รับ เป็นผู้มีศีลมีกัะยาณธรรมหรือไม่สองผู้ให้มีศีลมีกัะยาณธรรมหรือไม่สามสิ่งที่นำมาให้นั้นน่ะได้มาโดยความบริสุทธิ์ยุติธรรมหรือไม่และเจตนาในสามการก่อนให้กณะให้หลังจะให้ของผู้ให้ทานเนี่ยมันบริสุทธิ์หรือไม่เพราะฉะนั้นในประเด็นตรงนี้มันเท่ากันหมดแต่มันจะไม่เท่ากัน ในกรณีที่พระเป็นผู้รักษาศีลแต่ว่าคนยากไร้ตกทุกข์ได้ยากนั้นประสบความเดือดร้อนเนี่ยไมไ่รักษาศีลถึงรักษาก็ไม่เท่ากับพระพระรักษาศีลมากกว่าทีนี้มากอบอย่างอื่นเรายัางไม่รู้มันต่างกันขนาดไหนเห็นว่าจิตใจก่อนให้ขณะให้หลังอยากให้ของผู้ให้ทานเนี่ยเป็นยังไงโดยของที่นํามาให้เนี่ยได้มาด้วยความบริสุทธิ์หรือไม่บริสุทธิ์เนี่ยยังมีประเด็นที่จะต้องถกเถียงอยูเยอะ ต้องหาข้ อ, อยุติอีกครับแต่การให้ทานแก่นคนที่ประสบความทุกข์ความเดือดร้อนนี่เขาเรียกว่าให้เพื่อจะสงเคราะห์เป็นการบำบัดทุกข์ให้แก่เขาแต่การถวายแก่วัดนั้นเป็นการบูชาความดีของท่านมาคนละเจตนากันคนละเจตนาคนรบนนะคนับผู้รับกันนะฮะคนรับผู้รับกันถึงแม้จะเหมือนกันหมดมันก็ไม่เหมือนกันในตัวผู้รับ มันต้องทำทั้งสองกรณีนั่นแหละแต่อยา่าเอามาเปรียบเทียบกันมันคนละเรื่องกันงานทงเคราะห์เป็นงานที่ทำด้วยความเมตตากรุณางานบูชาเป็นการกระทำด้วยความเคารพนับถือศรัทธาเรามาเทียบกันไม่ได้ข้อต่อไปถามว่า การทำบุญไม่ว่าจะมากหรือน้อยแต่มีผลทำให้ใจเป็นเป็นทุกข์คือทําให้เดือดร้อนเรื่องปัจจัยจะได้บุญหรือบาปมากกว่ากันอันนี้ที่จริงเป็นความสับสนเฉยๆเพราะคำว่าบุญนั้นมันอะไรก็ได้นะฮะที่ขจัดกิเลสได้แล้วก็มีผลออกมาเป็นความสุขผลออกมาเป็นความทุกข์มันก็ไม่ใช่อะ คือเขาาให้ทานในการจะให้ทานเนี่ยมันต้องมองสองจุดจุดหนึ่งก็คือกําลังทรัพย์ของเราเรามีกําลังทรัพย์มากพอที่จะให้ทานได้ไหมนอกจากกําลังทรัพย์แล้วก็กําลังศรัทธาก็เราเรามีพลังศรัทธามากพอหรือเปล่าถ้าศรัทธามากแต่วทรัพย์น้อยเนี่ยต้องให้ตามกําลังทรัพย์ ถ้าศรัทธาน้อยทรัพย์มากต้องให้ตามกำลับบงศรัทธาถ้ามากโดยการหรือน้อย้วยกันนะเท่าๆกันเนี่ยก็ไม่ได้ว่าอะไรก็ให้โดยกำลับบงของอะไรก็ได้แต่การให้ทานเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราต้องพร้อมที่จะให้แต่เราให้ไม่ได้เราก็รักษาศีลศีลมันดีกว่าทานอย่างเยอะเลย รักษาศีลก็ดีฟังธรรมะก็ดีสนทนาธรรมะก็ดีอ่านหนังสือธรรมะก็ดีอ่ะทําใจสงบไม่โกรธไม่ดิษยาไม่ด่าทออะไรคนอื่นโอ้ยมันทําได้เยอะไปทำมันทำไมจะต้องทำให้ตัวเองเดือดร้อนอ่ะไปบริจาคทําไมเมื่อตัวรู้ว่าตัวเองจะเดือดร้อนเขาไม่สอนให้บริจาคหรอกบุญบุญสิบประการเนี่ยทานะ่ะเป็นบุญประการหนึ่งในบุญสิประการ มันไม่ใช่ทานคือบุญบุญคือทานทา น, น่ะเป็นหนึ่งในบุญแล้วบุญเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องให้ทานแล้วก็มากกว่าการให้ทานนี่ทาไปทานเนี่ยเราจะเห็นว่ามันขจัดกิเลสประเภทโทสะในตัวคนที่เราให้ขจัดโลภะในตัวของขจัดโมหะที่จิตใจของเราในผลของการให้ทาน แต่ทีนี้ถ้าหากว่าเราให้ทานแล้วก็เดืร้อนก็แสดงว่าเราไม่ได้ตรวจสอบกำลังทรัพย์กำลังศรัทธาของเรากำลังทรัพย์โดยเฉพาะกำลังทรัพย์นี่เป็นการกระทำไปด้วยด้วยโมหะหรือความหลงไม่ใช่เป็นการกระทำที่ถูกต้องทำบุญชวนอื่นเถอะศาสนาเองไม่ได้เน้นที่ให้ทานหรอก ศาสนานเน้นต้องการในพุทธศาสนากชนปฏิบัติธรรมะอยู่ในศีลแล้วก็ดีที่สุดเราจะพูดเรื่องศีล น, นี่มากพูดเรื่องศีลพูดเรื่องธรรมพูดเรื่องศีลธรรมนี่มากก็ต่อไปถามว่าตั้งใจจะทําบุญด้วยการถวายปัจจัยแต่มีอุปรสรรคไม่สามารถทําได้จะได้บุญหรือบาปไอบาปมันไม่ได้หรอก แต่มีกุศลและเจตนาที่จะทํามันก็คือกุศลและเจตนาขึ้นมาแล้วมันก็ได้บุญบ้า ง, งนะนรับแต่ว่าเมื่อเรายังทําไม่ได้ก็แสดงอันโมทนายกมือทั่วหัวสาทูกับคนอื่นเขาก็ได้บุญคืออยาไปติดใจเรื่องเงินเรื่องเงินเรื่องทองอมากมันทําให้ศาสนาเสื่อมด้วยนะฮะ ว่าคนเป็นห่วงว่าเออถ้าไม่มีสตังค์เข้าวัดไม่ได้ อ, อะไรอะไ้ทาบุญความทาความดีไม่ได้ให้ทานไม่ได้ไม่ให้ทานก็อย่าให้เข้าไปวัดไปรักษาชินได้เฉยอย่างกิจกรรมที่มาจัดอยู่ที่ถึกสวรธรรมนิเวศเนี่ยในวันอาทิตย์มีการเทศแล้วก็มีการนั่งสมาธิวันเสาร์มีการเทศมีการนั่งสมาธิแล้วก็บรรยายประสูณี วันเสาร์สองชั่วโมงวันอาทิตย์นี่หนึ่งชั่วโมงญาโยมก็มีการไหว้พระสวดมนต์กันวันเสาร์นี่ไม่ไม่มีการบูชากันเทศอะไรเลยเราทํากันมาได้ยี่สิบกว่าปีญโยมก็มีตั้งกองเรียา์อะไรแต่ไรเขาก็เรื่องของเขาไปนะฮะเรื่องชาวบ้านก็มาชวนกันทําบุญเรื่องของเขาแต่ว่าในส่วนของวัดเองเนี่ยไม่ได้มี ไม่ได้มีการบอกบุญเรื่ออะไรอะไรแล้วก็คนก็ทํากันนะคนก็มาถึงว็ไพระสมบูนี่เป็นบุญล้วสมาทานศีลเป็นบุญล้ ว, แ ล, วแล้วก็ฟังธรรมก็เป็นบุญแล้วนั่งสมาธิก็เป็นบุญแล้วแล้วก็จบไปถึงก็ฟังธรรมต่อก็เป็นบุญแล้วแล้าตามต้องจ่ายค่ารถนะนะอาจต้องจ่ายค่ารถ อันนี้ก็คือก็คือสิ่งที่แสดงเห็นว่าวัดแต่ละวัดเนี่ยเขาไม่ได้มุ่งที่จะเอาเงินจากญาติโยมหรอกแต่ว่ามุ่งที่จะให้ธรรมะมากกว่าเพียงแต่ว่าเราไปติดใจกันเองสมมติวัาโยมลงนิมนต์พระไปด้ว ย, ลยแล้วก็ไม่ถวายอะไรเลยก็ไม่ได้ว่าอะไรพระนี่ไม่ได้ว่าอะไรใครอ่ะนะถ้าถวายก็เป็นเรื่องของเขาก็ต้องการทำบุญก็ถวายเปเรื่องของเขา ถวายมากถวายน้อยก็เป็นเรื่องของเขาไม่ถวายก็เป็นเรื่องของเขาไม่ได้เกี่ยวหน้าที่ก็เราจบแล้วคนนี้บนไปเทศเราก็เทศให้เขาเรียบร้อยแล้วก็จบกันก็เท่านั้นเองทีนี้ชาวบ้านเราไปสร้างเงื่อนไขไปสร้างเงื่อนไขให้เห็นว่าได้าจาบุญก็ต้องทําทานทําไม่ทาทานก็จะไม่ได้บุญจะไม่ได้ทําบุญอะไรแต่อะไรจะะไรำลอง น, นั้นเลยมันก็เกิดสับสน ข้อต่อไปถามว่ากรณีวัดพระธรรมกายผู้ที่ไปทำบุญกับวัดนี้จะได้บุญหรือไม่ก็ได้บุญอนหมยแล้วเป็นวัดนะเป็นวัดจะมีพระมากที่สุดในประเทศไทยที่ทำไปเป็นวัดที่ใหญ่มากมีเงินมากมีคนมากมีปริมาณงานเขาก็ทำเยอะอะไรต่างๆเนะี่ยแล้วก็เป็นพระในพระพุทธศาสนานี่แหละไม่ได้ไม่ได้มีอะไรที่ คือเราไปเกิดสับสนมันเกิดมีข่าวเรื่องเจ้าวาดเขาเป็นการกล่าวหากันต่อสู้กันก็กล่าวหากันนั่นนะฮะแต่ว่าศาลยังไม่ได้ตัดสินเราก็ฟังไว้ก่อนให้ศาลก็ตัดสินในครบสามศาลไ้ก่อนจึงจะว่าผิดหรือถูกแต่ว่าพระอื่นก็พระอื่นนะไม่ได้เกี่ยวกันเนะ่คืออย่าลืมว่าการถวายทานเนี่ยการทาบุญเนี่ย แม่แต่ทำกริส์ดดีใดฉานแม่ต่ท ำ, ตตทำคนทุศีมันก็เป็นบุญทางนั้นนะ่ะเพียงแต่มากหรือน้อยเออ้าถามมามากหรือน้อยเนี่ย ก, ก็ว่ากันไปได้แต่อย่าลืมว่าเราทำบุญในนามของวัดเราถวายเป็นการวัดไม่ถวายเป็นการส่วนปฏิเเกชนถวายส่วนปฏิเเกชนก็ได้นะท่านก็ไปทำบุญต่อมันก็เสริมบุญด้วยกันถามว่า การที่เรานำทําบุญด้วยการถวายปัจจัยแก่พระภิกษุสงฆ์แต่แล้วถ้านําปัจจัยนั้นไปใช้จ่ายในทางที่ไม่เหมาะสมเช่นนําไปซื้อเหล้ามาจาเนเบื้อต้นอันนี้ไปเทะใส่พระอีกครคือเป็นเรื่องเป็นการหาเรื่องใส่พระพระไปดื่มเหล้าได้ไงพูดเป็นเล่นไปมันผิดวินัยนะฮะพระก็ดื่มเหล้าไม่ได้ก็ปรับอบัตเอาไว้ไปดื่มไม่ได้ คือของที่ซื้อในี่ยเขาควยเรียกว่าสมควรแก่ส ม, มณะบริโภคดาวดวงก็บอกไปอย่างนั้นเาก็ดูอะไรมันควรแก่สมนะบริโภคหรือไม่ท่านก็ให้เด็กไปซื้อหาสิ่งเหล่านั้นมาแต่ไปการไปซื้อเหล้านี่มันไม่ได้หรอกมันผิดผิดตั้งแต่คิดแล้วคิดยังผิดเลยเราพูดถาวายปัจจัยจะได้บุญหรือบาป มันคนละตอนการมันไม่ได้กเกี่ยวกันสมมุติว่าท่านเอาไปซื้อเล้าเนี่ยนะเอาสมมติเอาไปซื้อเหล้าเนี่แต่ก็ัเป็นบาป ท, ทำทายธรรมของชาวบ้านให้มันเสื่อมคุณค่าลงไปก็เรียกทำทายายธรรมให้ตกแต่เราเนี่ได้บุญไปแล้วราให้ไปแล้วให้แกแมวยังได้บุญไนงะให้หารแกตุนังแกได้บุญนัภาษาอะไรก็ไปก็ไปให้แกผ่านแลก็ เราไม่ได้คิดส่งเสริมสนับสนุนไอ้ น, นี่มันคล้ายๆกับปัญหาในวันก่อนที่พูดถึงว่าทะเลาะ ก, กันน้องจนน้องกินยาตายเนี่ยเราใจรอ้องคนละเรื่องกันมันเราไม่ได้มีเจตนาไอ้ น, นี่ก็เหมือนกันเราไม่ได้เจตนาจะส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านทำอย่างนั้นเราถาวายด้วยความตนมนึกว่าท่านเป็นพระแต่ เ, เมื่อพฤติกรรมของท่านไม่เป็นพระมันก็เป็นเรื่องที่ท่านต้องรับผิดชอบโดยตัวท่านเอง การทำบุญดอยวันและการกรวดนา้าบุทิศให้แก่ผู้ตายผู้ตายนั้นจะได้ส่วนแห่งบุญอย่างไรแล่ทำไมเราจึงต้องทำบุญุูทิศให้แก่ผู้ตายด้วยอันนี้มันมันเป็นเรื่องบุญอีกประเภทหนึ่งก็เรียกว่าปฏิทานทำไมบุญที่สาเร็จโดยการให้ส่วนบุญเป็นทักษินานุปาทานเป็นการตามเพิ่มให้ส่วนบุญแก่ผู้ที่ตายไปแล้ว คนเขาก็ได้รับนะฮะด้วยด้วยเหตุผลอนุิแก่แล้วคือหนึ่งเราให้ทานไปสองญาติเรารับทราบแล้วโมทนาส่วนบุญไม่ใช่เราอุทิศส่วนบุญไปให้เขาแล้วเขารับทราบแลวนวโมทนาส่วนบุญเมื่อครบสามประการอย่างนี้เขายาดก็ได้บุญญาติก็ได้บุญส่วนได้บุญยังไงบุญมันเกิดขึ้นโดยการอนโมทนานะะอนโมทนาแปลว่าชื่นชมยินดี จิตใจก็ของแพ้วนะฮะจิตใจที่มันสะอาดจากกิเลสแล้วก็มีความช่าชื่นเบิกบานมีปิติประโมทเดี่ยวก็เป็นบุญแล้วเพราะบุญส่วนหนึ่งก็คือเป็นความสุขบุญส่วนผลก็คือความสุขส่วนเหตุก็คือการลดกิเลสลงไปได้แล้วปรากฏออกมาในรูปต่างๆทำนองพยาของพระเจ้าพิมพิสารนะที่กล่าวไว้ในเรื่องก่อนเลย การทำบุญอุทิศให้ผู้ตายแบบประเพณีคนจีนคือเผาข้าวของเครื่องใช้อุทิศไปให้ถ้าจะทำให้ผู้ตายสองคนคือตากระยายโดยใช้ของเพียงชุดเดียวบุคคลทั้งสองจะจะได้รับจะได้รับรส่วนบุญหรือไม่อะไรตร ง, งนี้นะคเราจะเห็นว่าอันนี้มันไม่ได้เกี่ยวกับจำนวนของ มันอยู่ที่เจตนาที่เราบริจาคหรือไม่อ๋อเขาบอกว่าเคยได้ยินจากพระรูปหนึ่งท่านว่าเข้าขอ ง, งต่างๆเป็นเรื่องของวัตถุการวิทิส่วนบุญส่วนกุศลก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งไม่เกี่ยวกันแต่ท้าวเจ้ามีความเห็นว่าคนส่วนใหญ่ยังคงมีความคิดติดกับวัตถุอยู่ที่พระท่านพูดถูกแล้วนะคือมันไม่ได้เกี่ยวกันหรอกถวายชิ้นเดียวก็เหมือนกัน ญาติพี่น้องเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนการโมทนาก็ได้บุญเท่ากันมันไม่ได้อยู่ที่ตัววัตถุเป็นตัวกําหนดแต่อยู่ที่เจตนาอยู่ที่การโมทนาของญาติเน่เป็นตัวกําหนดว่าเขานโมทนาชื่นชมยิน ด, ดีเขาก็ได้บุญแล้วก็สิ่งที่เราอุทิศให้นั้นอาจจะไม่มีอะไรมาก สมมติว่าญาติเราเป็นร้อยนะฮะเราก็ตักบาตรทัพพีเดียวทันเร่งเราอุทิศ่วงกุศลให้แก่ญาติจ้าก่อนโมทนาทุกคนท่านก็ได้บุญโดยการกระทําของท่านโดยการอังโมทนาของท่านเน่ยหมายความท่านอังโมทนาท่านจึงได้บุญก็ต่อไปถามว่าทําบุญใส่บาตรตอนเช้าทุกวันได้กรวดน้ําไปให้ บ, บรรพุทธที่ล่วงหลับไปแล้วนั้นจะรับหรือไม่ถ้าได้รับ จะรับได้จะรับได้โดยวิธีใดอันนี้ก็คล้ายๆกับอย่างนี่ว่ามาแล้วเปลี่ยนในการตักบาตร น, นั่นเองคือหมายความเมื่อเราตักบาตรเสร็จเดี๋ยวเขาที่ส่วนกุสนไปให้แก่ญาติพี่น้องที่ตายไปแล้วท่านรับทราบแลนโมทนาพา้านรับด้วยการอนุโมทนาชนบุญท่านก็เกิดปีติประโมทท่านก็เกิดชื่นชมยินดีในการกระทำความดีของเรา พูดง่ายๆว่าท่านอาศัยความดีของเรานั้นเป็นเครื่องมือในการทำความดีของท่านเป็นเหตุให้ท่านได้รับส่วนกุศลด้วยการมโมทนาบุญตามที่เราอุทิศกุศลส่งไปให้ท่านข้อต่อไปถามว่าการไว้ทุกข์ให้กับผู้ตายจะได้บุญกุศลอย่างไรและกลางคืนมีการสวดส่งทุกข์ให้แก่ผู้ตายผู้ตายจะรับส่วนบุญส่วนกุศลอย่างไงอันนี้เป็นความคิดติแปลกนะฮะไว้ทาไมเราทุกข์อะ นั่นเป็นความเชื่อที่ได้มาจากจีนนะนะฮะเราก็มีปุยญาติยายเป็นจีนกันเยอะคนไทยเนี่ยเป็นธรรมเนียมของจีนของเราก็ไม่ไว้ทุกกันหรอกทุกทําไมเราทุกจบแล้วเกิดแก่ตายเป็นทุกทุกตายแล้วก็เป็นทุกก็จบกันทำไมจะต้องไว้ทุกจะถือว่าบุญกุศลอะไรเราจิตใจเรากุ้มมาจิตใจเราวิตกกังวลน่ะ ก็อยู่สบายๆเนี่ยทําบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาทําบุญตักบาตก็น้อมอุทิศส่วนกุศลไปให้เขาไหว้พระสวดมนต์กุศลไปให้เขาไม่ต้องไปแบกทุกข์ไว้หรอกไว้ทุกข์ทำไมออกทุกข์ไว้ทุกข์ไม่รู้เอามาจากไหนเหมือนกันเนี่ยเป็นธรรมเนียมที่แปลกแต่งชุดดําแต่งชุดดําแล้วก็ไว้ไว้อย่างนั้นอย่างนั้นเป็นธรรมเนียมแสดงมันเพิ่งเกิดในเมืองไทย แต่ตอนเปลี่ยนแปลงการปกครองนี่แหละเมื่อก่อนมันก็ไม่ได้มีธรรมเนียมในลักษณะอย่างนี้หรอกแสดงมาได้มาจากธรรมเนียมจีนทีนี้การอะไรลนะ่ะสวดส่สงทุกให้แก่ผู้ตายอันนี้ไม่ทราบนะบทสวดคืออะไรแต่การสวดในสวดมากบทสวดมันจะดีนะมันเป็นกุศลร่างกายกุศล จ, จิตวิญญาณกุศลจิตใจกุศลจิตแต่ทําไมต้องส่งทุก มันมน่าจะส่งสุขนะฮะมันไม่น่าจะส่งทุกอันนี้ไม่เคยได้ยินแต่แต่ว่าเป็นประเพณีของท้องถิ่นนะฮะนักศึกษาเหล่านี้เป็นนักศึกษาจากมาฮิโดนนะที่จริงก็อยู่ในเมืองหลวงอยู่เยอะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็เป็นคนมาจากต่างจังหวัดก็เยอะเหมือนกันเพราะงั้นก็ไม่ไม่แน่ว่ามันทำํำทำเนียมเนี้เขามาจากไหนกัน ที่ไปสวดท่งทุกเนี่ยหมหาเจริยมหิดลนะจริงๆแต่ว่าเขาไปเข้าไข้ที่ที่โคราชทัานฟังทั้งหลายแต่หลวงมาวติยานในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาแบงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไปบุญในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยท่วกันสวัสดี